สูตต่อไปนะครับเทวทัตตสูตรที่จริงน่าจะเพราะนะเทวทัต at นะครับเทวดาให้มาโดยสาวใช้พรหมทัตก็พรหมให้ใช่ไหมถ้าตามแปลว่าให้ยเอเทวทัตเนี่ยนะครับเทวดาให้มาฟังกันเทพพระเจ้าให้มาพรหมทัตก็พรหมให้มานะครับนี่น่ ah าจะดีนะแต่แหมไปทําชั่วเลยชื่อนี้เลยเสียเลยนะครับไม่มีใครมาตั้งชื่อลูกชื่อร้านว่าเทวทัตเลยซักคนเดียวนะครับ ชื่ออานน์ชื่ออนุรุทธะชื่ออย่างอื่นเขาเอามาตั้งกันหมดนะครับแต่ว่าชื่อเทวทัตไม่มีใครเอามาตั้งเลยนะที่จริงเป็นชื่อที่ไพเราะมากนะครับเทวดาให้มานะครับแต่ว่าเนื่องจากคนไม่ดีมาทำาก็เลยเสียชื่อไปหมดเลยนะครับแม้ใครมีลูกมีหลานก็ไม่อยากตั้งชื่ อ, อ น, นี้เลยนะครับจริงก็ชื่อเพราะนะเทวดาให้มาเทวทัตตสูตรนะครับข้อ269พระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูน์ทางลาย พระเทวทัตผู้อันอสัตธรรมสามประการครอบงำย่ํายีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้นะครับแปลว่าแก้ไขไม่ได้ต้องอยู่ตลอดกลับว่างั้นเถอะอสัตธรรมสามประการเป็นไนะดูก่อนพิสูจทั้งหลายพระเทวทัตผู้อันความเป็นผู้มีความปรารถนาลามกครอบงําย่ํายีจิตแล้ว เป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้นะครับปาถนาลามกนะครับปาถนาอยากจะให้คนอื่นรู้คุณที่ไม่มีจริงในตัวนะครับคือไม่ได้มีคุณธรรมมานั้นรอกก็ปาถนาอยากจะให้คนอื่นรู้นะครับเช่นว่าปาถนารามกยังไงครับปาถนาจะปกครองสงฆ์แทนพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นเองนะครับเนือความปาถนาลามกของพระเทวทัตพระเทวทัตผู้อันความเป็นผู้มีมิตรชั่วครอบงำย่ํายีจิตแล้ว เป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกับเยียวยาไม่ได้มีมิตรชั่วคือมีภาคโกกาลิกะเป็นต้นเนี่ยนะครับส่งเสริมพระเทวทัตให้มักใหญ่ไฟสูงนะครับเต็มไปด้วยความทะเยอทยานเนี่ยนะครับลักษณะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มาส่งเสริมเราก็พิจารณาด้วยนะครับว่าเป็นกระยาณมิตรหรือเป็นปาปมิตรนะครับทีนี้ข้อสมบอกว่าเมื่อมักและผลที่ควรจะกระทําให้ยิ่งมีอยู่ พระเทวทัตถึงความพินาศเสียในระหว่างเพราะการบรรลุคุณวิเศษที่มีประมาณน้อยนะครับคือมักผลที่จะต้องตเองตัวเองจะต้องปฏิบัติให้สูงก็ไม่ปฏิบัตินะครับดูความพิสูจน์ทั้งหลายพระเทวทัตผู้อันอศัศศทำสามประการนี้แลครอบงำย่ำยีจิตแล้วเป็นผู้เกิดในอบายเกิดในนรกตั้งอยู่ตลอดกัดเยียวยาไม่ได้แก้ไขไม่ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่า ขอใครๆอย่าได้เป็นผู้มีความปรารถนาลามมกเกิดในโลกเลยคติของบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกเช่นไรท่านทั้งหลายจงรู้คติเช่นนั้นด้วยเหตุแม้นี้เราได้สดับมาแล้วว่าพระเทวทัต ร, รู้กันว่าเป็นบัณฑิตยกย่องกันว่ามีตนอันอ บ, บรมแล้วดุดรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศ ด, ดำรงอยู่แล้วพระเทวทัตนั้น ประพฤติตามความประมาทเบียดเบียนพระตถ า, าคตพระองค์นั้นถึงอเวจีนรกอันมีประตูสน่าพึงกลัวผู้ใดพึงประทุสร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุสร้ายผู้ไม่กระทํากรรมอลามกผลอลามกย่อมถูกต้องผู้นั้นแลผู้มีจิตประทุสร้ายผู้ไม่เ อ, อื้อเฟื้อผู้ใดพึงสําคัญสมุดว่าจะประทุสร้ายได้ด้วยหม้อยาพิษหม้อเดียว ผู้นั้นพึงปัทุสลายด้วยหม้อยาพิษนั้นไม่ได้เพราะว่าสมุิที่น่ากลัวใหญ่มากฉันใดผู้ใดย่อมเบียดเบียนพระถถาคตผู้ดำเนินไปโดยชอบมีจิตสงบระงับด้วยความปัทุสลายความปัทุสลายย่อมไม่งอกงามในพระถถาคตพระองค์นั้นฉันนั้นภิกษุผู้ดำเนินไปตามทางของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวก ของพระพุทธเจ้าใดพึงถึงความสิ้นไปแห่งทุก์ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตพึงกระทำผู้เช่นนั้นให้เป็นมิตรและพึงส่องเสพผู้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้เลือกคบหาภิกษุที่ดำเนินตามทางของพระพุทธเจ้านะครับหรือของสาวกของพระพุทธเจ้านะครับถ้าหากว่าไม่เลือกจากคบมิตรแบบนี้ก็ยากเหมือนกันนะครับ เพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่รู้จักคบมิตรนะครับก็จะทำให้เป็นผู้ที่มักใหญ่ไฟสูงทะเยอทยานเป็นต้นโดยที่ไม่มีที่ที่สิ้นสุดนั่นเองนะครับข้อหนงนะครับปรารถนาลา ม, มกนะครับขออ้อ2คบมิตรชั่วขอ้อ3ไม่ปฏิบัติให้บรรลุมักผลยิ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าตัวเองได้แค่ฌาน ก, ก็เลิกซะนะครับไม่ปฏิบัติให้บรรลุมักผลต่อไปก็ยินดีด้วยคุณมีประมาณน้อย นะครับเพราะว่าชาญทั้งหลายเนี่ยนะครับเป็นมหคัตธรรมก็จริงแต่ไม่ถึงอัปปะมานะธรรมั้นโลกุตระธรรมนั้นเป็นอัปปะมานะธรรมนะครับก็เลิกซะก่อนก็จะไม่เลิกได้ยังไงครับเพราะว่าปาธนารามกทาให้มีจิตคิดแข็งดีในพระพุทธเจ้าตลอดนะครับก็ไม่สามารถที่จะเจริญหรือบำเพ็ญคุณธรรมชั้นสูงต่อไปได้นะครับอัธกถาเทวทัตสูตรนะครับว่า ถามว่าสูตรนี้มีเรื่องเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับที่พระองค์มาตรัสสูตรนี้นะเรื่องพิสดารมีอยู่ว่าเมื่อพระเทวทัตตกอเวจีมหานรกแล้วภิกษุผู้เป็นพวกของพระเทวทัตและพวกอัญญะเดรธีทั้งหลายก็พากันโพลทนาว่าพระเทวทัตถูกพระสมณโคดมสาบแช่งจึงถูกแผ่นดินซูบนะครับโอ้โหคนบาปทั้งหลายเลยเนี่ยนะครับก็ยังเที่ยวตําเนิอีกเพราะกรรมของตัวเองไม่พิจนารณา น, นะครับว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสาบเขา คนทั้งหลายได้ฟังดังนั้นแล้วพวกไม่เลื่อมใสในสาศาสนาก็เกิดความสงสัยขึ้นว่าเออข้อ น, นี้จะพึงเป็นเหมือนที่คนทั้งหลายพูดหรือไม่โอ้โหเอ้มันน่าคิดเหมือนกันนะเออมันจะตายทําไมอย่างนั้นทําไมจะต้องตกนรกถูกสาปมั้งนะพิสูจนทั้งหลายได้กราบทูลพฤติการนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะตรัสปฏิเสธความเข้าใจผิดของคนเหล่านั้นว่า ดูก่อนพิสูจท์ทางหลายแต่ถาคตไม่ให้การสาบแช่งแก่ใครๆเพราะฉะนั้นพระเทวทัตจึงไม่ใช่ถูกเราถาคตสาบแช่งพระเทวทัตตกนรกโดยกรรมของตนนั่นแหลดังนี้แล้วก็ตรัสพระสูตรนี้โดยเป็นเหตุเกิดของเรื่องนี้นะครับก็คือเขาพนทนาว่าร้ายนะครับโอ้ปากเน้อปากนะครับทิฐิเน้อทิฏฐิ น, นนะนะครับความชั่วทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับหลีกเลี่ยงให้ไกลเถอะ ก็พระองค์ก็ตรัสถึงว่าพระเทวทัตเนี่ยถูกอะไรครอบงำนะครับจึงตกนรกไม่ใช่พระ อ, องค์สาบนะพระเทวทัตไปด้วยกรรมของตัวเองนะบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอสัตถธรรมเมหิได้แก่ธรรมะของอาสัตบุรุษบทว่าอาเตกิจโฉความว่าเยียวยาไม่ได้อธิบายว่าแก้ไขไม่ได้เพราะเกิดในอเวจีไม่มีการแก้ไขเหตุที่พระเทวทัตเป็นผู้ไม่ควรที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะให้กลับใจได้ แ, แก้ไขไม่ได้จริงๆนะครับ พระเทวทัตชื่อว่าปาปิดโฉเพราะมีความปราถนาลามกเป็นไปโดยประสงค์จะประกาศคุณความดีของตนที่ไม่มีอยู่เพราะฉะนั้นภาวะของผู้ปราถนาลามกนั้นชื่อว่าปาปิดชาตาคือไม่มีคุณธรรมอย่างที่ว่าอะไรหรอกครับแต่อยากให้คนอื่นเขารู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณธรรมแบบนั้นถูกความปราถนาลามกนั้นเนี่ยครอบงำแล้ว ก็พระเทวทัตนั้นเกิดความป่ารถนาขึ้นว่าเราจะเป็นพระพุทธเจ้าจะป ก, กครองมู่สงนะครับนี่คือความป่ารถนาของเขานะมันจะเป็นไปได้ยังไงบ้างกันอันนี้ข้อแรกนะพระเทวทัตนั้นชื่อว่ามีมิตรเลวซามเพราะมีมิตรเลวซามคือลา ม, มกมีพระโกกาลิกะเป็นต้นนะครับผู้คอยเสี้ยมสอนนะนะภาวะของผู้มีมิตรลา ม, มกนั้นชื่อว่าปาปมมิตตา ถูกความเป็นผู้มีมิตรลามกนั้นครอบงามแล้วนะครับข้อ2งใช่ไหมครับข้อ3ว่าอุตริกรณิเยความว่าเมื่อมักผลอันเป็นกรณียกิจเบื้องสูงอันบุคคลพึงบรรลุด้วยฌานและอภิญญาอันตนยังไม่ได้บรรลุแล้วมีอยู่อธิบายว่ายังไม่ได้บรรลุมักผลนั้นด้วยอาการอย่างนี้ บทว่าโอระมัตะเกนะความว่าเพียงเล็กน้อยคือเพียงชาญและอภิญญาเท่านั้นโอ้โหขนาดชานอภิญญายังว่าเล็กน้อยนะครับของเราศีลยังก็ยังไอจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยแจวหรือเปล่านะครับโอห่างกันเยอะนะครับของเราทั้งหลายเมื่อเทียบกับพระเทวทัตนะพระเทวทัตเนี่ยมาอยู่ในยุคนี้นี่หึงสงสัยไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกระหึ่มไปทั้งโลกนะครับเสียงกล้องโลกแน่นะครับอย่าว่าประเทศไทยเลยของเราถ้าเทียบกับท่านแล้วห่างกันเยอะนะครับอย่าประมาทนะครับ อย่านึกว่าโอ้พระเทวทัต ย, ยางนั้นยางนี้ที่เราเองอ่ะศีนยังรักษาไม่ได้ถ้าอย่างนี้ก็ลำบากแล้วนะครับบทว่าวิเสสาที่เขเมนะความว่าเพราะบรรลุอุตริมนุสธรรมบทว่าอันตราแปลว่าในท่ามกลางบทว่าวูสาังอาปาที่ความว่ายังไม่เสร็จกิจเลยแต่สำคัญว่าเราเสร็จกิจแล้วจึงถึงความพินาศจากสมณะธรรม นะครับเนี่ยนะท่านได้ฌานเนี่นะได้ฌานได้อภิญญารู้สัตว์เกิดส ต, ตายนะีรู้นะครับเพราะว่าเว้นแต่ที่ไม่มีเนี่ยคืออาสวัคคายายเท่านั้นเองไม่มีมรรคผลเท่านั้นเองครับที่เหลือมีหมดนะครับมีตาทิพย์มีหูทิพย์และลึกชาติได้อะไรนี่รู้หมดนะครับนะหูทิพย์เหาะเฮินเดิอนอากาศเป็นต้นเนี่ยท่านทําได้หมดนะครับเหลือแต่ว่าไม่บําเพญ็ญวิปัสสนาเพื่อบรรลุอริยมรรคเท่านั้นเองถ้าพูดแบบธรรมดาธรรมดานี่นะครับ รู้ใครว่างรู้หมดนะครับอดีตอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นบั่งเนี่ยนะครับและเลึกชาติได้ไม่รู้กี่กับต่อกี่กับอนาคตข้างหน้าเนี่ยยังถึงกี่กับต่อกี่กับไม่รู้นะครับพิจารณาได้หมดนะครับนี่ก็เพราะว่าสําคัญนะครับสําคัญผิดไปทีนี้ในยุคนี้นะครับไม่ได้มีคุณธรรมอะไรขนาดพระเทวทัพเลยก็ยังฮึกเหิมกว่าพระเทวทัพเลยซ้าไปนะครับรา ะ, ะนั้นก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับสมาทานตั้งอัตตสัมมาปณิทิไว้ให้ดี พอไรครับพระเทวทัศพเนี่ยทรงพระไตรปิดกอภิญยาห้าด้วยนะครับสมาบัตแ8เอาดลยถ้าเทียบคุณธรรมแล้วนะครับแกทรงพระไตรปิดกนะพระเทวทัพเนี่ยนี่ของเราเมื่อเทียบกับพระเทวทัศน์เราจําได้กี่สูตรเองนะครับบางสูตรเนี่ว่าเป็นรู้กี่วั น, วนก็ยังจําไม่ได้เลยนะครับท่องแล้วท่องอีกท่องแล้วท่องอีกเล่มเล็กนิดเดียวยังท่องไม่จำมันนะครับโอ้เทียบกันแล้วห่างกันมหาศาลนะครับพระเทวทัศน์เมื่อก่อนนี้แม้แต่ภาษารีบุตรยังย ก, ยกย่องนะครับว่าเป็นคนมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากนะครับ ะะทีนี้ถ้าเทียบกับท่านแล้วห่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะได้ประมาณเลยนะบางทีอาจจะได้ไปอยู่กับหลวงพ่อท่านลําบากนะครับพ่อเทวทัต ด, ด้วยประการดังพันณามานี้เป็นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศโทษในความเป็นปุถุชนโดยพิเศษด้วยพระสูตรนี้ว่าความเป็นปุถุชนของเขาเนี่ยหนักเพราะเหตุที่จะยังสมบัติมีชานและอภิญญาเป็นต้นเป็นที่สุดให้เกิดขึ้นได้และ ก็ยังละเหตุแห่งทุกข์มีอย่างต่างๆอันจะนำอนัตะมาให้มิใช่น้อยการอวดคุณความดีที่ไม่มีอยู่การคบหาอาสัตบุรุษและการประกอบความเกียรติคร้านเนืองเนืองไม่ได้จักได้ประสบโทษที่แก้ไขไม่ได้ตั้งอยู่ตลอดกับในอเวจีมาหารุกนะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดเรามีความสามารถอย่างพระเทวทัตขนาดนี้มันดูจะเป็นอย่างพระเทวทัตหรือเปล่าครับผมก็ตั้งอัตตาสัมมาปณิทิอาไว้ให้ดีนะครับว่าอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยนะครับนะถ้าไม่ตั้งอัตตสัมมาปณิธิไว้ก็มันยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็คิดดูนะครับลองใครชมเรื่องเล็กๆน้อยๆนะถ้าฟูขึ้นก็แสดงว่ามีปัญหาแล้วนะนะครับถ้าใครตําหนินิดๆน้อยๆก็แฟบลงนี่ก็แสดงว่ามีปัญหาเลยนะครับเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมีหมดเลย เพราะฉะนั้นต้องหมั่นสมาทานต้องหมั่นอธิษฐานเลยนะครับหมั่นสวดมนต์แล้วก็ตั้งอัตตาสมาปณิที่ทุกเช้าข้าเช้าข้าไปนะครับจะได้พลาดเมื่อไหรก่ก็คือความเป็นปุถุชนก็เหมือนกับขับรถอยู่ในในใ น, ในติดติดกับเหียวนะครับถ้าอยู่ภาคเหนือด้วยเห็นชัดนะครับขับรถในเลาะเหีะเวตลอดเลยนะครับทีนี้ถ้าหากว่าดูตั้งจิตไว้ดีในวันแรกนะครับวันที่สองประมาทก็จมนะครับ วันที่ตั้งไว้ดีวันนั้นก็ไม่ตกนะครับวันไหนที่เลือกตั้งก็วันนั้นก็ตกเพราะฉะนั้นถ้าเราจับตามมองภาพพิสูุทั้งหลายในยุคนี้ด้วยแล้วเนี่ยนะครับก็จะเห็นภาพเหล่านั้ น, น, นชัดเจนนะครับกิเลสทั้งหลายนี่ได้ช่องได้โอกาสก็เล่นงานกลุ่มรุมนะครับเชื้อทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ยังมีอยู่กับเรานะครับส่วนในคาถาที่พระ อ, องค์ตรัสไว้ว่า ขอใครๆอย่าได้เป็นผู้มีความปรารถนาลามกอุบัตในโลกเลยคติของบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกเช่นไรท่านทั้งหลายจงรู้คตินั้นด้วยเหตุแม้นี้เราได้สดับมาแล้วว่าพระเทวทัตโลกรู้กันว่าเป็นบัณฑิตยกย่องกันว่ามีตนอันอ บ, บรมแล้วรุ่งเรืองอยู่ด้วยยศ ด, ดำรงอยู่แล้ว พระเทวทัตนั้นประพฤติตามความประมาทเบียดเบียนพระตถาคตพระองค์นั้นถึงอเวจีนรกอันมีประตูสี่หน้าพึงกลัวก็ผู้ใดพึงประทุษร้ายต่อบุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายผู้ไม่กระทำกรรมอันลามกผลอันลามกย่อมถูกต้องผู้นั้นแลผู้มีจิตประทุษร้ายผู้ไม่เอื้อเฟื้อ ผู้ใดพึงสําคัญสมุดว่าจะปทุสารายได้ด้วยหม้อยาพิษหม้อเดียวผู้นั้นพึงปทุสารายด้วยหม้อยาพิษนั้นไม่ได้เพราะว่าสมุดที่น่ากลัวใหญ่มากฉันใดผู้ใดเบียดเบียนพระตถาคตผู้ ด, ดําเนินไปโดยชอบมีจิตสงบประงับด้วยความปทุสารายความปทุสารายย่อมไม่งอกงามในพระตถาคตพระองค์นั้นฉะนั้นผู้ใดดําเนินไปตามทางของพระพุทธเจ้าหรือของพระสาวก ของพระพุทธเจ้าใดพึงถึงความสิ้นไปแห่งทุกภิกษุผู้เป็นบัณฑิตพึงกระทําผู้เช่นนั้นให้เป็นมิตรพึงซ่องเสพผู้เช่นนั้นนะครับควรหากัลยาณมิตรลักษณะนั้นเหมนนเพราะฉะนั้นอธิบายว่าท่านอธิบายไว้ว่าขอบุคคลรายในสัตว์โลกนี้อย่าได้มีความปรารถนาลามก โดยส่วนเดียวเลยว่างกันบทว่าตะทิมินาปิชานาทปาปิชานังยะถาคติความว่าคติอย่างไรคือความสําเร็จอย่างไรได้ผลในภายหน้าเช่นใดของบุคคลผู้มีความปรารถนาลามกเธอทั้งหลายจงรู้คตินั้นแม้ด้วยเหตุนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงอ้างพระเทวทัพเป็นตัวอย่างจึงตรัสอย่างนี้นะครับอย่างไรอย่างไงนะอย่าได้มีใครไปทําตัวแบบพระเทวทัพเลยนะครับ บทว่าปัณฑิตโตติสมัญญาโตวความว่าที่รู้กันว่าเป็นบัณฑิตเพราะความเป็นคนคงแก่เรียนนะครับใครๆก็ยอมรับว่าพระเทวทัตเนี่ยคงคงแก่เรียนนะครับเรียนมากะนะเพราะแกได้อภิญญาเนี่ยนะครับได้อภิญญาแล้วก็ทรงพระดัยเปโตบทว่าภาวิตัตโตติสัมมโตวความว่าที่ยกย่องกันว่ามีตนอันอบรมแล้วด้วยฌานและอภิญญาทั้งหลาย เพราะฉะนั้นสมัยนั้นนั้นแกจะต้องแจตุปาริสุทีศีนี่ต้องดีเยี่ยมเลยนะครับจึงจะสามารถบําเพ็ญอภิญญาได้แต่บําเพ็ญฌานได้จริงอย่างนั้นพระเทวทัตนั้นในชั้นต้นได้เป็นผู้ที่แม้พระธรรมเสนาบดีก็สรรเสริญว่าโคทิบุตรผู้มีฤทธิ์มากเป็นโคทิบุตรผู้มีอนุภาพมากนะครับคือยกย่องอะนะภาษาริบุตรยังชมเชยเลยนะครับสมัยแรกๆนะบทว่าฉลังวะ ยะสะสาอัถาเทวทัตโตติวิสุโตความว่าได้มีชื่อระบือคือปรากฏอย่างนี้ว่าพระเทวทัตเป็นเหมือนรุ่งเรืองเป็นเหมือนเด่นอยู่ดำรงอยู่แล้วด้วยเกียรติและบริวารนะครับลูกศิษย์นี่5้0ยนะครับพอมล้อมไปสมัยนี้มีไหมครับที่ไปไหนแล้วลูกศิษย์ติดตาม500รเลยนะครับหายากนะ วัดที่มีพระเนรห้าร้อยแต่ห้าร้อยก็ยิ่งจะกระจัดกระจายไปทั่วไปหมดแต่นี้ไม่ได้นะครับกดปุ่มพระเทวทัตคอนโทรนได้หมดเลยนะครับห้าร้อยเนี่ยนะแล้วก็พระเจ้าชาติศัตรูเนี่นะถวายอาหารวันละห้าร้อยสำหรับห้าร้อยสำหรับนี่นะครับโอ้สบายมากบทว่าเมสุตังดังนี้ก็มีอธิบายว่าข้าพระเจ้าได้ฟังแล้วคือเพียงแต่ได้ฟังมาได้แก่ การที่พระเทวทัตเป็นบัณฑิตเป็นต้นนั้นเป็นเพียงที่ข้าพเจ้าได้ฟังมาเท่านั้นเพราะพระเทวทัตเป็นอย่างนั้นโดยสองสามวันเท่านั้นเกียรติที่ได้รับนี่ไม่นานนะครับเนื่องจากว่ามันดีไม่จริงนะครับเมื่อดีไม่จริงก็ตกเสื่อมหายบทว่าโสปมาทะมนุจินโนอาสัชะนางตถาคตังความว่า พระเทวทัตนั้นเป็นอย่างนั้นไม่รู้ประมาณของตนถึงความประมาทโดยแต่งตั้งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้เสมอกับตนนะครับเทียบพระพุทธเจ้ากับตัวเองว่าเสมอกันว่าถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นศักยะบุตรแม่เราก็เป็นศักยบุตรถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นพระสมณะแม่เราก็จะเป็นพระสมณะถึงพระพุทธเจ้าจะเป็นผู้มีฤทธิ์แม่เราก็เป็นผู้มีฤทธิ์ ถึงพระพุทธเจ้าจะมีตาทิพต์นะครับแม้เราก็มีตาทิพต์ถึงพระพุทธเจ้าจะมีหูทิพต์แม้เราก็มีหูทิพต์ถึงพระพุทธเจ้าจะได้เจโตปริยยานรู้วาระจิตของผู้อื่นแม่เราก็ได้เจโตปริยยานถึงพระพุทธเจ้าจะรู้ธรรมะที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันแม่เราก็รู้ธรรมะนั้นดังนี้โอ้รู้หมดเลยนะครับกระทบกระทั่งเบียดเบียนพระตถาคตเจ้าเพราะถูกมารดนใจให้ฮึกเหิมว่าบัดนี้ เราจาักเป็นพระพุทธเจ้าจักบริหารภิกษุสงฆ์นะครับมานก็ได้ช่องนะครับกระแสะเข้ามาทันทีช่วยกระสิบระซาบในความคิดนะครับอาจารย์บางพวกกล่าวว่าปมาทะมะนุชิโนโดังนี้บ้างในคำนั้นมีใจความว่าเมื่อถึงความประมาทตามนัยยะที่กล่าวแล้วอาศัยความประมาทเสื่อมคลายจากฌานและอภินญาพร้อมกับจิตตุบาทที่วางตนคู่กันคือตีเสมอพระพุทธเจ้าทีเดียว พอนึกเทียบเคียงตับเสื่อมหมดเลยครับไอที่มีอยู่เนี่ยนะครับบทว่าอาววจินิระยังปัดโตจะตุทวารังพยานกังความวา่าถึงนรกใหญ่ที่ได้นามว่าอเวจีเพรา ะ, ะเพราะเปลวไฟหรือสัตว์ที่เกิดในนรกนั้นอ่ะมีอยู่เป็นนิรันเป็นนิรันดร น, นะครับโอ้โหไฟเนี่ยตั้งอยู่นอแล้วนะครับชื่อว่ามีสีประตูเพราะประกอบด้วยประตูใหญ่สีประตูในสีด้านอันน่ากลัวยิ่งนะัก ด้วยามสามารถแห่งการปฏิสนธิสมดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายก็มหานรกนั้นมีสี่มุมนะสี่ประตูแยกออกเป็นห้องห้องมีกำแพงเหล็กเป็นขอบเขตครอบด้วยฝาเหล็กมีพื้นปูด้วยเหล็กลุกโชนประกอบแล้วด้วยเปลวแพ่ไปไกลรอยยอโดยรอบตั้งอยู่ทุกเมื่อดังนี้นะครับก็เตาอบดีๆนี่แหละครับเตาอบแบบที่เขาอะไรนะ ล้อมเหล็กะนะละลายเหล็กทั้งหลายแล้วเนี่ยนะครับบทว่าตเมวะป่าปังผู้สติความว่าผ้นชั่วคือผ้นบาปที่ต่ำสามจะถูกต้องคือถึงได้แก่ครอบํำคนเลวสามผู้ประทุสาร้ายต่อผู้ไม่ประทุสาร้ายนั้นนั่นแหละบทว่าเพศมาความว่าทะเลเป็นเหมือนให้คนกลัวเพราะกว้างและความลึกอธิบายว่าทั้งกว้างทั้งลึกนะครับ บทว่าวาโทตัมหินรูหติความว่าโทสะที่ผู้อื่นปลูกฝังในพระตถาคตเจ้านั้นน่ะจะไม่งอกงามขึ้นคือจะไม่ตั้งอยู่อธิบายว่าจะไปให้เกิดความพิการนะครับคือความสเทือนพระทัยแก่พระองค์เหมือนหม้อยาพิษหม้อเดียวจะทำให้เกิดความแปรเปลี่ยนแก่สมุดหาได้ไม่ฉะนั้นนะครับใครจะเอาหม้อยาพิษหม้อเล็กนิดเดียวนะ ไปละลายให้แม่ทะเลให้มันมีพิษให้หมดนะเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะครับใครจะมีโทสะยังไงไปทําลายพระองค์ก็เป็นไปไม่ได้นะครับที่พระองค์จะมีโทสะเป็นต้นเกิดขึ้นสร้างความเสียหายให้แก่พระองค์เนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงว่าพระเทวทัตเป็นผู้ไม่พ้นจากทุกข์ด้วยการทรงแสดงว่าพระเทวทัตผู้ประกอบด้วยความปรารถนาลามกเป็นต้นได้เข้าถึงนรกแล้วด้วยคาถาหกคาถาอย่างนี้แล้วบัดนี้ เมื่อจะแสดงเหตุสิ้นทุกข์นะทรงสอนวิธีแก้ไขไว้ด้วยนะอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็ทรงแนะนําว่านะทรงแนะนําวิธีให้สิ้นทุกข์ของผู้ประกอบด้วยธรรมะที่ตรงกันข้ามกับความปรารถนาลามมกด้วยคาถาสุดท้ายว่าภิกษุเดินตามทางคือดําเนินตามทางของผู้ใดที่ปฏิบัติชอบแล้วได้แก่ปฏิบัติโดยชอบแล้วนะครับคือก็คือหาคนดีนะครับมาเป็นตัวอย่าง จะพึงถึงความสิ้นไปคือความสิ้นสุดแห่งวัตถุทุกทั้งสิ้นด้วยการประกอบด้วยคุณงามความดีมีความปรารถนาน้อยเป็นต้นนะครับหาคนที่ทรงไว้ซึ่งคาถาวัตถุสิบนะครับเช่นมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีปลารบความเพียร น, นะครับชอบส ง, งัดนะครับมากไปด้วยศีลสมาธิปัญญาวิวมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นต้นนะครับก็หาผู้เช่นนั้นแหละนะครับถามว่าสมัยนี้หาใครก็หาพระไตยัยปิฎกเถอะครับ พิสูผู้เป็นบัณฑิตคือผู้มีปัญญาควรทมผู้เช่นนั้นคือพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าให้เป็นมิตรของตนคือทำความสนิทสนมกับท่านและควรครบหาสมาคมคือควรเข้าไปนั่งใกล้ท่านนั้นนั่นเองนะครับหมั่นคบหาสมาคมกับ นี่แหละครับพระไตรปิดกพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับอ่านแล้วพระองค์ตำหนิว่าไม่ดีก็สมาทานว่าจะได้เป็นอย่างนั้นเลยอ่านแล้วตรงไหนพระองค์ชื่นชมก็พยายามภาพเพียนปฏิบัติตามนั้นนะครับนั่นแหละเป็นาศาสดาของเราทั้งหลาย